เพราะความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลวงปโ่ทิยานได้นำเสนอทำมาจากกบฏตนสูตรซืบต่อกันมาโดยลําดับก็มาจบลงที่สมาสติคือการตั้งสติระลึกในทางที่ชอบ ในการบรรยายสมาสตินั้นก็ได้เข้าไปสู่ข้อความในมาสติปฐานสูตรซึ่งส่งแสดงไว้โดยนัยที่พิสดารวันนี้ก็จะพูดเรื่องสมาสมาธิที่แปลว่าความตั้งใจมั่นชอบซึ่งก็ได้ แสดงมาจากนิย่าที่ทรงแสดงไว้ในสามัญญผลสูตรครือสูตรที่ว่าด้วยความเป็นสมณะหรือผลจากความเป็นสมณะก็คงจะเป็นการทบทวนนะครับเพราะว่าข้อความที่กล่าวมาค่อนข้างพิสดารคือส ม, สมาธิโดยวัตถุประสงค์จริง ต่อการจะสงบนิวรณ์ทั้ง5้าประการนิวรณก็คือกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นคุ่มรุมใจที่ท่านเรียกว่าประยุทธาในกิเลสแล้วกระทำใจให้สับสนสายไปตามแรงปลักดันของกิเลสเหล่านั้นในข้อแรกก็คือเรื่องของการม่ฉันทะ จิตที่เดียวเหนียวนึกตรึกนึกถึงสิ่งที่ตนใคร่ด้วยอำนาจของความใคร่และสิ่งที่นํามาเหนียวนึกตรึกนึกนั้นอาจจะเป็นเรื่องอดีตก็ได้เพื่อเพืินอยู่กับอารมณ์ที่ตรึกนึกขึ้นในปัจจุบันก็ได้อาจจะ่อยคว้าปรารถนาอารมณ์ในอนาคตก็ได้ลักษณะความรู้สึกเหล่านี้ทรงอุปมาสภาพจิตเนี่ยว่าเหมือนกับน้ําที่เจือด้วยสีหลากหลาย เมื่อเราต้องการจะส่องดูเงาหน้าของเราก็ไม่สามารถจะมองเห็นเงาหน้าได้อย่างชัดเจนเพราะว่าสีมันสับสนเหลือเกินผลจิตใจของคนที่ถูกราคะหรือกามราคะหรือกามชันทะบางครั้งเรียกว่าอนนาพิชานะฮะในสามัยจะผลสูตรสงชายคำว่าอนนาพิชาอภพิชาคือการเพ่งเล็งโลภอยากได แสดงว่าเป็นอาการของกิเลสประเภทโลภะในการไขว่คว้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเพื่อถือครองเพื่อครอบครองและมุ่งที่จะตอบสนองความต้องการของตนเป็นประการสำคัญถึงจะเปรียบถึงสภาพจิตอีกในยะานหนึ่งท่งอุปมาเหมือนคนที่ตกเปน็นหนี้เป็นสีลบุคคลอึ่ง การพยายามสงบนิวรณ์ให้ได้เนี่ยสงบการรมฉันทะนิวรณให้ได้เหมือนกับการทำตนหลุดพ้นจากความตกเป็นหนี้เป็นสินบุคคลอื่นเพราะนเรื่องสมาธิก็คือการพยายามทำใจให้สงบจากนิวรณ์ข้อกามฉันที่นี้ในความเป็นสมาดสมาธินั่นเองมันก็เกิดเป็น เรียกว่าองค์ของฌานขึ้นมาในห้าประการตัวเอกากาตาคือตัวสมาธิเนี่ยจะทำหน้าที่สยบหรือส ง, งบกามฉันทนิวรณ์เอาไว้วันใดที่ใจยังมีสมาธิหรือเป็นเอกากาตาอยู่กามฉันก็จะเกิดขึ้นกลุ้มรุนใจไม่ได้ ใจก็จะเป็นอิสระจากความรู้สึกประเภทกรรมชาติประการต่อไปก็คือพยาบาทจิตใจที่จองล่างจองผานมุ่งอาฆาตพยาบาทถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนกับน้ำที่เดือดพล่านคือต้มแล้วก็เดือดพล่าน อาการเดือดของน้ำเนี่ยทำให้เรามองเงาหน้าเราสับสนจากความเป็นจริงควจิตใจของบุคคลที่เดือดพร่านด้วยแรงก็โท่สะมีอาคารพยาบาทต่างๆการเหนี่ยวนึกจึกนึกก็ออกมาทั้งสามทางด้วยกันคือสามการด้วยกันการที่เป็นอดีตดการที่เป็นอนาคตการที่เป็นปัจจุบัน การเหนียวนึกถึงนึกแต่ลักษณะนี้เหมือนกับเราจับไฟร้อนๆแล้วก็มายอมปล่อยสงบ ป, ประมาเหมือนกับโรคทึ่เสียดแทงตัวของบุคคลก็อประสบความ ร, าร้อนทุกเบท า, าด้วยประการต่ า, างๆวันการพยายามสงบจาก นิวรณข้อนี้ก็เหมือนกับการหายจากโรคคือสงบจากโรคก็เป็นการสงบในลักษณะสยบไว้ก็ไม่ใช่หายจากโรคเป็นการทาวอนนะครับเพราะเป็นเรื่องระดับสมาธิความคิดเหล่านี้ที่ท่านเรียกว่าเป็นอาคาตวัตถุเป็นวัตถุ ข, ของความอาคาตพยาบาทเนี่ย คือถ้าเราดูให้ดีแล้วเป็นอาการของโทสะเป็นอาการของโมหะเอาก็จริงไม่มีเหตุผลทั้งหมดจิตอาจจะสายไปถึงในอดีตว่าคนนี้เคยทําอันตรายต่อเราเคยทําอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราหรือเคยทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์สู่เราก็าแสดงว่าถ้าทำไม่ดีกับเรากับพวกเราก็พยาบาท ทำดีกับตนกับคนที่ตนไม่ชอบซึ่งเป็นสิทธทิส่วนตัวของเขาเราก็ไม่ชอบเขาก็กลายเป็นความมาคาดพยาบาทประการต่อไปก็คือไปเหนียวนึกตรึกนึกขึ้นในปัจจุบันกระปรุงคิดคิดปรุงขึ้นในปัจจุบัน พอคนนี้กําลังทําอันตรายต่อเราคนนี้ก็กําลังทําอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราคนนี้กําลังทําอันตรายทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อศัตรูเราบางครั้งบางคราวเป็นการปรุงคิดคิ ด, คดปรุงขึ้นมาเองเหตุการณ์มันไม่เกิดขึ้นนะคือเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไม่รู้มเป็นอนาคตแต่ใจก็ไปกําหนดเอาไว้ว่า ต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราต่อไปคนนี้อาจจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อศัตรูเราแล้วก็เกิดเป็นความมาคาดพยาบาทขึ้นแต่บางอย่างเนี่ยมันไม่มีเหตุผลเลยเราลองสังเกตว่าความโกรธความมาคาดพยาบาทหรือการแก้แค้นบางเรื่องเนี่ย เป็นการกระทําที่ไ ร, ร้สาระเป็นการประทุษร้ายต่อตนเองเช่ น, นเมเดินสะดุดก่อนอิดก็โกรธ ก, รกร้อนอิดเดินสะดุดท่อนไม้ก็โกรธท่อนไม้บางทีก็เตะซ้ำํำก็ไปอีกก็เจ็บซ้ำก็ไปบางที่ฝนตกก็โกรธแดดออกก็โกรธล้มพัดก็โกรธนั้นแสดงถึงอาการของโทสะที่มันมีโมหะอยู่เยอะ เอาผลท้ายมันก็หาคำตอบหาเหตุผลอะไรไม่ได้การงสงบกิเลสประเภทนี้โดยเบื้องต้นก็คือใช้เมตตาแต่โดยองค์ของสมาธินั้นก็คือสงบด้วยปีติว่าอึบอิ่มใจที่บังเกิดขึ้นภายใน ใ, นใจของบุคคลมีอการปรากฏต่อจิตต่างๆแล้วนาะต่างๆ ตราบใดที่ปีติยังมีอยู่ตราบกนั้นก็สงบนิวรณข้อพยาบาทเอาไว้ได้ข้อต่อไปคือทีนามิทะความง่วงเงาหานอนเึื่อซึม ง, ง, งอยเงาหดถูเครื่มจุดชื่ อ, ช, อชาเ ย, ย็นเหนื่อยหน่ายท่อถอยต่างๆเหมือนกับจิตเหมือนกับจิตเหมือนกับน้ำที่จืดด้วยจอกแน่ เราต้องการจะดูเง า, าหน้าเราก็ต้องแหวกแหวกจอกแหนัมนก็หุบเข้ามาก็าดูไม่ทันจอกแหน้ก็หุบเข้ามาก่อนตองอุปมาเหมือนกับคนที่ติดคุกสูญเสียความอิสระสูญเสียสิทธิเสรีภาพต่างๆถูกจองจำประสบความทุกข์ทรมานอยู่ในทันทสถานเหล่านั้น ของการทำจิตของตัวในหลุดพ้นจากทีนามิทะคือความม่วเหงาหง่อนซึ่งซึมง้อยเหงาเนี่ยมันก็เหมือนกับคนได้ออกจากคุกก็เป็นความสวัสดีแต่ว่าการจะสงบทีนามิทะได้เนี่ยมันต้องอาศัยวิตกที่เป็นกุศลคือจิตเนีวนึกตึกนึ ก, นกถึงสิ่งที่เป็นกุศล แล้วก็จะสงบความคิดประเภททิ้ง่วงนุนออกไปได้ข้อต่อไปก็คืออุทธจักกุกุจจะเป็นกิเลสประเภทโมหะผสมด้วยโทสะอุทธจักนั้นเป็นอาการของโมหะกุกุจจานั้นก็เป็นอาการของโทสะโดยสภาพปิดมันเหมือนกับ น, น้ําขุน แต่ถ้าเทียบกับคนเดเหมือนกับคนที่ตกเป็นทาสของคนอื่นมันสูญเสียสระเสรีภาพที่จะไปไหนมาไหนทำอะไรได้ตามต้องใจตามความพอใจของตนเองเพราะว่าเป็นทาสของบุคคลอื่นถูกบังคับใช้ถูกสนทภายด้วยความหรวโหยของ ผู้เป็นนายถานเพราะฉะนทำยังไงจึงจะบรรเทาความคุ้งส่านความลงขากลงไปได้คือโดยชีวิตประจำวันเนี่ยก็ใช้แนวเขาเรียกว่าเจตสุว so ูปสสมมะคือพยายามส ง, งบจิตใจของตัวเองแต่ว่า ถ้าจะสงบระดับของสมาธิจิตานุภาพจะต้องมีกำลังเข้มแข็งขึ้นเราก็สามารถบรรเทาความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้ลงไปโดยสายการวิจาร์คือการไารตรจองนะฮะการพิจิินิพิจนาไม่ไม่ใช่การไตรจองคือความสุขหรือตามปกติเนี่ยเขาเกิดจาก เียกวาเจตสัวบูปสมะคือจิตมันไม่ยอมสงบก็แสดงว่าเราไม่ได้สุขถ้าเราได้สุขมันก็สงบได้เพราะท่านยังสอนให้ทาจิตใจของตัวเองให้สงบพอมีความสุขอาการของความคุ้งซ่านก็จะสงบลงไปจิตใจของบุคคลก็จะสบาย ก็เหมือนกับพ้นจากความเป็นภาตมีอิสรภาพมีเสรีภาพที่จะไปไหนมาไหนได้ตามความพอใจตามความต้องการของตนข้อต่อไปก็คือวิจิกิชาความเครือบแครงสงสัยไม่แน่ใจตัดสินใจอะไรไม่ได้ปักใจลงไปไม่ได้หรือไม่สามารถจะใช้พลังของศรัทธาหรือความเชื่อมัน่น รือไม่สามารถจะใช้พลังของปัญญาหรืความรอบรู้ในเรื่องเหล่านั้นโดยหลักทั่วไปแล้วก็ตรงอุปมาเหมือนกับน้ำที่เป็นโครนตรมนะฮะไม่ใช่น้ำขุนะ่นอันนี้เป็นโครนตรมเลยเคลือบเลยมันจะหนืดมันจะเหนียวมันจะเกิดการลาชา้าคือไปไหนมาไหนเราลองดูเราลุยโครนเนี่ยจะเดินได้ชา้า คนจิตใจที่มีอาการพบวักพบวนมีความเครือรง่งยสงสัยมีความไม่แน่ใจเนี่ยจะไปไหนมาไหนได้ด้วยความยากลำบากดังนั้นท่านจึงสอนให้มองว่าเหมือนกับคนเดินทางไกลกันดานข้าปลาหานบนเส้นทางก็หายากทางก็ทุรกันดา น, าาา น, นาาา ก, าา ก, ก, กนานว่าจะผ่านไปได้ในประสบความทุกข์ทรมานมาก เพราะการทำตนให้รอดพ้นจากวิจิกิจฉาคือความเครือแปล่งสงสัยได้มันก็เหมือนกับคนออกจากป่าทิศรักกันดานไปสู่สถานที่นั้นๆด้วยความสวัสดีเพราะนองชาญเหล่านี้ที่บังเกิดขึ้นในสมาสมาชเนี่คือั้นเรียงเป็นปฐมชาญทุติยชาญตติยชาญจะตติยชาญคือชาญที่หนึ่งที่อที่สามที่สี่ะนะเรียงอย่างนั้น แต่ตอนใช้คปปาําเป็นภาษาบาลีแต่นั้นเองในการเจริญสมาธินั้นบางทีท่านเรียงเป็นสองระดับบางทีก็เรียงเป็นสามระดับที่เรียงเป็นสามระดับก็คือสมาธิเป็นขณิกะสมาธิคือสมาธิเป็นขณะขณะเป็นระยะสั้นๆ ส, สงบปัป๊บๆไปเรืเ่อยๆสงบแล้วก็พุ่งสงบแล้วก็พุ่ง มันก็เป็นสมาธิระดับหนึ่งแก่ขาดความต่อเนื่องสมาธิประการต่อไปเรียกว่าอุปจารสมาธิคือมันเฉียดกล้ความสงบเข้าไปมากขึ้นจึงก็หมายความว่าการพยายามประพฤติปฏิบัติของเราก็ต้องใช้ช่วงเวลาที่ยาวขึ้นจะสามารถ ไอ้จิตมันสงบอยู่ได้นานขึ้นอาจจะสองสามนาทีห้านาทีหกนาทีอะไรแต่ไรเนี่ยนแล้วจนถึงเป็นอั ป, ปนาสมาธิคือสงบ แ, แน่วแน่หนักแน่นมั่นคงตรงเนี้ที่มันเกิดเป็นฌานต่อมาก็กลายเป็นฌานเป็นองค์ฌานฌานก็แปลว่าความหมายเนี่ยมีสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นเหตุแปลว่าเพ่งในกรณีนี้แปลว่าอารมณ์อารมณูปนิชานคือเพ่งอารมณ์ ก็ตามจิตใจของตนให้สงบแต่ถ้าใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือพิจารณานั้นแนววิปัสสนานะ่ะอีกแนวอีกระดับหนึ่งเขาเรียกว่ารักกณุปนิชานก็เพ่งดูลักษณะก็เป็นอาการที่ต่อเนื่องกันไปแต่ในชั้นนี้เราพูดเฉพาะเพ่งอารมณ์เพื่อจิตสงบเพราะว่าพูดเรื่องสมาสมาธิ สมาสมาธิที่เขาเกิดขึ้ น, นพอถึงระดับปฐมฌานเขาเรียกว่ามีวิตกวิจญาณปีติสุขเ อ, อกาคตาวิตกก็คือการตีเนียวนึกตรึกนึกในสิ่งที่เป็นกุศลวิจญาณหรือการตรายตรองในสิ่งที่เป็นกุศลปีติความอึบอิ่มซึ่งปรากฏขึ้นภายในจิตใจแล้วก็มีสุขคือความสบายกายสบายใจความปร่งเบาซึ่งเกิดขึ้นภายในใจ แล้วก็เอกคตาคือจิตที่อยู่ในอารมณ์อันเดียวตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่มากระทบจากข้างนอกหรือว่าจิตใจเป็นเหนียวนึกตรึกนึกขึ้นมาจากข้างในก็ตามนี่ก็ทำให้นิวรณทั้งหาประการดังกล่าวแล้ว ม, มีความสงบลง พอมาถึงทุ้ตยชาเนี่ยวิตกวิจารณ์มัสงุกแต่ว่าแนวชาเนี่ยมันมีอยู่สองแนวนะแนวหนึ่งก็เรียกว่าจตุติชานคือสี่ชาต้านในพระไตรปิฎกในพระสูตรเนี่ยเคยพบแค่สี่ชาตแต่ว่าในอภิธรรมบิฎกโดยเฉพาะ อ, อภิธรรมอัตสังขารเนี่ยพูดถึงชาตที่ห้าคือพูดถึงปัจาาญจมัชฌานคือชานที่ห้าตูแล้วก็ไม่เข้าใจท่านเท่าไหร่ ถือท่านอธิบายวิตกวิจารณ์แยกออกจากกันเพราะโดยหลักการปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเราที่เราไม่ได้ฌานอะไรนะเราว่าวิตกกับวิจารณมันเป็นอันเดียวกันมันเป็นต่อเนื่องกันวิตกันใดวิจาร์ก็นั้นวิจาร์อันใดก็วิตกก็นั้นวิตกกับวิจาร์ไปแยกไปอยู่คนละชานเนี่ยมันก็ถือว่าแปรหมายความถ้าดับก็ดับด้วยกันถ้าเกิดก็เกิดด้วยกัน เพราะในพระบาลีพุทธวจนะที่ทรงแสดงจริงๆทรงแสดงเองจริงๆมันก็พูดเพียงแค่วิตกวิจารณกระดับไปยังเหลือแต่ปีสุปีติสุขเอกะกะตาพอถึงตัดอิยชาเนี่ยแม้แต่ความรู้สึกว่าเป็นปีติเนี่ยความอึบอิ่มซึ่งปรากฏขึ้นภายในใจมีลักษณะต่างๆเนี่ยก็สงบลง แล้วก็เหลือแต่สุขกับเอกคตาเป็นอาการความสุขความโปร่งเบาความสละสลวยที่ปรากฏอยู่ที่จิตนะที่จริงก็อาการทั้งกายทั้งจิตแต่ว่าจิตเป็นตัวสวยอารมณ์สุขเป็นสิ่งที่รู้ชัดเจนก็คือจิตเป็นตัวรู้พอถึงจุดหนึ่งมันก็มีเฉพาะอุเบกขากับเอกคตาก็าเรียกว่าจตุติฌาน แต่ตาปูถึงฌานห้าก็อุเบกขาเอกคาตาก็มาอยู่ที่ชานที่ห้าเนี่ยแต่จากนัยยะตรงเนี้ยที่จริงมีมีนัยยะที่น่าศึกษาก็อธิบายอะไรวิจิตพิสดารออกไปมากแต่ว่าต้องการจะนำศึกษาในเรื่องธรรมจักรวัตนาสูตรเป็นโครงสร้างนะฮะ เอาความโครงสร้างที่ศึกษากันมาทั้งหมดนั้นเราอาศัยโครงสร้างในธรรมจักรวัตน ส, สุแล้วก็เวลาออกไปก็ออกไปที่ปัจจัยบิดดกพระสูตรดื่นๆแล้วบางครั้งบางคราวเราก็เห็นว่าตรงเนี้ยมันน่าจะไปที่อัตตกถาเพื่อจะให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็นําข้อความจากอัตตกถามาเพราะหัวข้อคำว่าใต้ร่มรพระโพธิญาณเนี่ยไปพูดเรื่องอนอกจาก หลักในพระศาสนาได้ยากประวัคิข้อบัรยายนะฮะครอบคลุมไว้ใหญ่เพราะนั้นเมื่อเราศึกษาพิจารณามาครบถึงสมาสมาธิแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสมาสมาธิจากสมาธิติถึงสมาสมาธิเนี่ยเป็นอริยมรรคในองค์แปประการแล้วก็เป็นศีลสมาธิปัญญา แต่ว่าทรงเรียงเป็นรูปวงกลมเป็นรูปของปัญญาศีลสมาธิเมื่อความสมาทิฏฐิปัญญาเนื้นชอบนั้นเป็นปัญญาสมาสังกปะความนําริชอบก็เป็นปัญญาสองข้อนี้ก็เป็นปัญญาศิกขาสมาวาจาการเจราจาชอบคืองดเว็นจากการพูดเทศพูดส่อเสียดพูดปัญญาพูดเลีวหล สมมารกรรมตาก็งดเว้นจากการทําชีวิตสัตว์ให้ตายกันถือว่าสิ่งของที่เจ้าของเขไม่ได้ให้การกระพริบปิดในทางประเวณีแล้วสมาชีวะคืองดเว้นจากการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเนี่ยเป็นการพูดระดับงดเว้นนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องศีละศิษยาต่อไปก็เป็นสมาวายามะ ความพยายามในทางที่ชอบคือปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายามกระทําความเพียนอย่างต่อนเนื่องในการป้องกันบาปที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นในการละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้ลดน้อยถอยลงไปในการเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นในการราาักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมแล้วก็สมาสติคือการตั้งสติระลึก ในกายในเวทนาในจิตในธรรมเรเห็นว่าตอนแรกเนี่ยมุ่งไปสู่ความสงบนะฮะแต่ว่าช่วงที่สองเนี่ยมันจเจริญวิปัสสนามองเห็นกายเวทนาจิตธรรมก็สัแต่ว่ากายสักตะเวทนาสักแต่วจิตสักตะวธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ประการใดแล้วเข้าไปสู่สมาสมาธิดังกล่าว ตรงนี้ธรรมะทั้งแปดข้อเนี่ยมันบันดึกเป็นเนื้อเดียวกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วก็จะเกิดขึ้นมาเป็นเป็นญาณก็เรียกว่าสามายานคือความรู้ในทางที่ชอบเมื่อเกิดความรู้ในทางที่ชอบขึ้นมาจิตใจก็จะหลุดพ้นก็เป็นสมาวิมุตต์คือหลุดพ้นในทางที่ชอบ มันก็กลายเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์แล้วก็มีข้อหนึ่งนะเรียกว่าวิมุตติญานัทธสนะคือความรู้ความเห็นในวิมุตต์รวมแล้วว่าถ้าเราเรียงเต็มที่ในแก่นพระพุทธศาสนาก็มีหกก้แก่นแกนที่เป็นเหตุสามแก่นที่เป็นผลสองก็สรุปว่าแก่นพระพุทธศาสนาก็คืออริยมรรคกับนิโรดตรัสสัดนั่นเอง ท่านฟังทั้งหลายแต่รมปปัฏฐิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญม่องงามไปบูรณนธรรมจุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี